เร่งความเพียรที่ทำภัขวางต่อมาท่านพระอาจารย์ก็พิจารนาว่าจะออกสแสวงหาวิเวกปรารบความเพียรต่อพิจารณาได้ในสมาธินิมิตว่ามีถ้ำถ้ำหนึ่งอยู่บนเขามีลักษณะผินหน้าไปทิศนั้นมีสั ญ, ญลักษณ์อย่างนั้นอย่างนั้นท่านจึงคิดว่าเราควรจะไปเจริญสมณธรรมที่นั่น เมื่อได้โอกาสไปนม้มาศการกราบเรียนท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านบอกว่าถ้ทำที่ว่านี้อยู่เขาพระ ง, งามจังหวัดลบบุรีชื่อถ้ำสิงโตหรือถ้ำไพแขวางท่านเจ้าคุณอุบาลีซื้อตัวรถไฟถวายท่านก็เดินทางจากกรุงเทพสู่ลบบุรีด้วยขบวนรถไฟอยู่ที่นั่นมียอมผู้หญิงมาถวายบิณฑบาตพร้อมกับบุตรสาวทุกวัน ด้วยความศรัทธาและเลื่อมใสมีเพื่อนสหธรรมิกสี่ถึงห้ารูปท่านไม่ได้บอกว่าเพื่อนเหล่านี้อยู่ก่อนหรือหลังแต่ทุกรูปก็ตั้งหน้าตั้งตาทําความเพียรไม่รบกวนกันต่างคนต่างอยู่นอกจากทำข้อวัดเท่านั้นจึงรวมกันเดือนอ้ายผ่านไปเดือนยี่ผ่านไปเดือนสามย่างเข้ามา การจรินสมณธรรมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอพอถึงวันเพนเดือนสามพิจารณาได้ความว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมาถึงบัดนี้เป็นเวลาถึงส2องปีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะทำที่สุดแห่งทุกในวัตตสงสารได้ในคืนวันเพนนี้พอรู้อย่างนี้แล้วก็เตรียมการงานที่เคยทำเป็นต้นว่าการปัดกวาดบริเวณกุฏิ ตลอดจนการส่งน้ำจัดแจงที่อยู่ที่นั่งให้พร้อมถึงเวลาเดือนจงกรมก็เดินพอได้เวลานั่งสมาธิก็นั่งพอหันหน้าสูท่ทิศตะวันออกรู้สึกโล่งในจิตก็เข้าสมาธิทันทีพอนั่งได้ไม่นานเกิดอาการวิตกกังวลขึ้นทางจิตใจทางร่างกายก็มีอาการเจ็บแสบร้อนโหมขึ้นมา เรื่องนี้เคยผ่านมาแล้วสมัยยังอยู่ถ้ำสาริกาจึงระ ง, งับได้บ้างพอจิตสงบหน่อยหนึ่งจิตก็สว่างไปข้างหน้าปรากฏเห็นหญิงผู้เป็นบุตรสาวของโยมอุปถาคยืนร้องเรียกความรักจากท่านอยู่ซึ่งปกติก็ไม่เคยมีไม่เคยพบเห็นถือเป็นเรื่องธรรมดาจิตไม่เคยมีความยินดีอะไรแต่ในนิมิตรปรากฏเช่นนั้น ท่านพระอาจารย์ก็พิจารณาว่าอันเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเราก็ได้พิจารณามาอย่างช่ำชองแล้วจะมาลงอีกหรือพอกำหนดดังนี้หญิงนั้นก็แก่เฒ่าล้มตายเองเหลือแต่กองกระดูกหายไปในแผ่นดินจิตก็ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาทุกขเวทนายังมีอยู่จึงกำหนดจิตพิจารณาลงไปอีก ปรากฏเป็นความสว่างออกไปข้างหน้าเมื่อจิตรวมแล้วเห็นคนใหญ่โตในความรู้สึกว่าเป็นยักษ์เดินถือกระบองจากภูเขาข้างหน้าเข้ามาหามีความรู้สึกว่ายักษ์จะตีหัวพอได้สติก็นึกได้ทันทีว่าอำนาจใดๆในโลกทั้งสามไม่มีอำนาจอนุภาพใดจะเหนือพระพุทธานุภาพไปได้ พอกำหนดได้ดังนี้ภาพนั้นก็หายไปท่านว่าจิตถอนออกมาอีกคราวนี้เวทนาวิตกจางลงไปมากแต่ยังไม่หมดท่านกำหนดพิจารณาอีกจิตก็รวมลงไปปรากฏว่าฝนตกน้ำนองชุ่มชื้นขึ้นมามีกำลังปีติซาบซ่านไปทั่วมีความสุขและจิตเข้าถึงเอกคัคตายาน กายปสัสสติกายสงบจิตตปสัสสติจิตสงบ ก, กายะละหุตากายเบาจิตตาละหุตาจิตเบากายะปะคุญยตากายควรแก่การงานจิตตปะคุญยตาจิตควรแก่การงานจิตก็ก้าวลงสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน และจะตุทตาชาญโดยลำดับพักอยู่ในจตุทตาชาญนานพอสมควรจิตก็ถอยออกมาสู่ตาติยะชาญทุติยะชาญถึงปฐมชาญหยุดอยู่แค่นี้เกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นมาคือรู้เห็นชาติพบในการก่อนที่เรียกว่าอุปเพนิวาสานุสติญาณเป็นตัววิปัสสนาญาณขึ้นมาว่าปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้ ในอดีตชาติเราเกิดอยู่บ้านเมืองนั้นประเทศนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีผิวพธุ์อย่างนั้นมีสุขอย่างนั้นมีทุกข์อย่างนั้นเป็นลำดับไปจนถึงครั้งเป็นเสนาบดีนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักและได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักเป็นเวลาผ่านมาประมาณสี่ถึงหชาติจึงระลึกได้ว่า การที่เราเวียนไหวตายเกิดอยู่อย่างนี้ก็เพราะจิตดวงนี้พอพักจิตได้จิตก็หยุดก้าวลงสู่ทุติยาชาญตาติยาชาญและจตุทัตาชาญปฐมยามผ่านไปพอเข้ายามที่สองมัชิมยามจิตก็พักเอากำลังต่อจิตอยู่ในชานี้คือการพักเอากำลัง ส่วนปฐมฌานนั้นคือการพิจารณาวิปัสนาญาณเปรียบด้วยการทำงานแล้วพักผ่อนเอากำลังท่านพระอาจารย์ว่าพอจิตพักอยู่ในจตุทัธาฌานมีกำลังแล้วก็ถอยออกมาโดยลำดับทุติยฌานตติยฌานคือทางผ่านท่านว่าออกมาถึงปฐมฌานเกิดวิปัสนาญาณเห็นภพและชาติ และาธาตุขันธ์ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกเริ่มแต่บิดามารดาเป็นต้นไปว่าคนคนนั้นชาตินั้นได้เกิดเป็นคนเป็นสัตว์มีอาหารมีรูปร่างมีการงานทำอย่างนั้นได้สุขได้ทุกข์อย่างนั้นไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เพราะอาศัยจิตดวงนี้จิตก็หยุด กข้อสู่ทุติยะตัติยะและจะตุทัฏฐานตามลำดับอีกเพื่อพักเอากำลังมาชิมยามผ่านไปในปัจฉิมยามคือยามภายหลังแห่งค่ำคืนวันนั้นพอจิตพักได้กำลังแล้วก็ถอยออกมาสู่ปฐมฌานอันเป็นบาทฐานแห่งวิปัสนาญาณ จิตก็พิจารณาปั จ, จยาการคืออาการของปัจจัยเกิดมีคำใหม่เพิ่มขึ้นอีกว่าทิฏฐิภูตังอวิชาปั จ, จยาสังขาราสังขาราปั จ, จยาจนถึงโทมณสัอุปายาสาสัมภวันติได้ความว่าทิฏฐิภูตังคือจิตดวงเดิมของสรรพสัตว์ทั้งมวล ที่ยังไม่ได้อบรมศีลสมาธิปัญญาตามแนวทางแห่งพระสัพพัญญุตญาณ น, นั้นก่อให้เกิดอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราพยาธิมรณะโสกปริเทวะร้องไห้พิไรรำพันถึงกันจนเกิดทุกขโทมณัสส์ใจไม่ดีอุปายาสักับแคนแน่นใจ ว่าแล้วท่านพระอาจารย์ก็เอวาเมตัสะเกวาลัสะสมุทโยโหติที่สัมพันธ์กันเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์อย่างนี้ท่านพระอาจารย์ว่าเมื่อจิตได้อริยมรคยานแล้วจิตดวงเดิมคือทิฏฐิภูตังเป็นทิฏฐิยานเป็นเครื่องตัดขาดจากอวิชชา เมื่ออวิชชาไม่ก่อเกี่ยวได้แล้วจึงเป็นอวิชายะตเววะอาศาสังขารนิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธาจนถึงตัณหานิโรโธตัณหานิโรธาภาวะนิโรโธภวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาชจารามรนัง โสกะปริเทวะทุกขะโทมนสเสยิรุชันติได้ความว่าเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับตลอดจนถึงตันหาอุปาทานพบชาติชราพยาธิมรณะโสกะบริเทวะทุกโทมนะตุปายาสะก็ดับหมดเอวามตัสสะเกวาระสะ ทุกขักขันทศะนิโรโธโหติเป็นความดับขันอันเป็นทุกข์อย่างเดียวนั้นนั่นแลท่านว่าพอมาถึงตอนนี้จิตก็วางการพิจารณาแล้วจิตก็รวมใหญ่รวมคราวนี้จิตไม่พักเหมือนข้างต้นเกิดมีญาณตัดสินขึ้นมาว่าพบเบื้องหน้าเราไม่มีแล้ว รมอาจารย์เราได้อยู่จบแล้วกิจอันเราควรทำเราได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ควรไม่มีอีกแล้วยานชนิดนี้เรียกว่าอาสวะขยายานคือความรู้ว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะพร้อมกับอวิชาก็หายไปไม่ก่อนไม่หลังตะวันขึ้นมาและเดือนก็ตกไปรวมความว่ายานเกิดขึ้น อวิชาหายไปพระอาทิตย์ขึ้นมาพระจันทร์ตกไปเรียกว่าอาปุพพังอจิรมังไม่ก่อนไม่หลังท่านพระอาจารย์ว่านะไม่ใช่ผู้เล่าว่าเองท่านพระอาจารย์ยังเล่าต่อไปว่าเมื่อยานเกิดขึ้นก็ไม่ได้ขับไล่สายส่งอวิชาเจ้าผู้อวิชาเอ๋ยเจ้าเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็น เจ้าจงหนีไปอยู่กับข้าไม่ได้แล้วลาวิชาก็ไม่ได้บอกเหล่าอํำลาว่ายาผู้แจ้งผู้เห็นจริงเจ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นเอย๋ยข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วข้าขอลาเจ้าไปก่อนต่างไม่ได้ขับไล่แต่ท่านว่าความมืดและพระอาทิตย์ก็เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็หายไป พระอาทิตย์ก็ไม่ได้ขับไล่สส่งความมืดหรือพระจันทร์จะว่าเจาผู้มืดผู้ดำเอ๋ยเจ้าอยู่กับข้าไม่ได้แล้วเจ้าจงหนีไปความมืดก็ไม่ได้บอกเล่าอำลาหรือไม่ได้ว่าพระอาทิตย์ผู้แจ้งผู้สว่างผู้มีเดดอันกล้าเอ๋ยข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วข้าขอลาเจ้าไปก่อนหาใช่อย่างนั้นไม่ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็หายไปชั้นใดก็ชั้นนั้นว่าแล้วท่านพระอาจารย์ก็หูรอพอรุ่งเช้าวันนั้นท่านลุกจากที่นั่งทําสรีรากิจและวัดที่เคยพระพืชเป็นปกติท่านบอกกับเพื่อนว่าของดชันพัฒนาหารสักเจ็ดวันส่วนเพื่อนสหธรร ม, มิก ผูกก้มนาก้มตาบมเพญเพียรคงไม่รู้หรอกว่าใครทําอะไรที่ไหนกับใครตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเจริญสมณธรรมจิตเป็นอย่างไรเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังเวทิตโภวินยยหิท่านว่าการงดฉันพัฒหารนั้นเพื่อทําให้วสีห์เป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วชำนาญและสวยผลแห่งมักท่านว่าคำว่าวสีหมายถึงความชำนาญเป็นความชำนาญคล่องแคล่วในการนึกตรวจองค์ฌานที่ตนได้ออกมาแล้วความชำนาญคล่องแคล่วในการที่เข้าฌานในการรักษาไว้ในการออกจากฌานและในการพิจารณาทบทวนองค์ฌาน การงดฉันพัฒาหารนั้นเพื่อทำให้วสีหาเป็นธรรมชาติคลองแคล่วชำนานและสวยผลแห่งมรคพอผ่านไปสี่วันโยมอุปถากพร้อมทั้งบุตรสาวนำพัฒาหารมาถวายพูดวิงวอนว่าพระคุณเจ้าหดอาหารมาหลายวันแล้วจะหิวจะลำบากข อ, อนิมนต์ฉันเจ้าคะ่ะท่านก็ลองฉันพอฉันเสร็จโยมกลับไป มาพิจารณาเกิดไม่คล่องแคล่วอืดอาดแต่ทำได้อยู่นี้มันอะไรได้ความว่าเราเสียสัจจะท่านเลยงดฉันพัฒนาหารต่ออีกสามวันครบแล้วจึงฉันก็คล่องแคล่วอีกทุกอย่างก็เลยละเอียดอ่อนไปหมดนี่คือมรรคผลคุณในวิเศษในพระพุทธศาสนานี้